ไม่ต้องหลอกโบเฮียวถึงเธอจะไม่เชื่อฉันก็เชื่อฉันเชื่อว่าเป็นไปได้เธอเคยได้ยินไหมละ่ะที่เขาว่าคนแบกตุ่มแบกตู้เย็นวิ่งหนีไฟเพราะความตกใจพ่อหายตกใจกรบแบกไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องของพลังจิตนะคนเราไม่รู้หรอกว่าจิตนั้นมีพลังมากเป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัว คนที่ฝึกจิตสม่ำเสมอสามารถเอาพลังออกมาใช้ได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกก็ใช้ไม่เป็นคือในยามปกติใช้ไม่เป็นเว้นแต่ยามตกใจอาจจะมาใช้ได้บ้างโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เป็นการใช้พลังจิตโดยไม่มีสติควบคุมก็ได้แค่ประเดียวประดาวพอรู้สึกตัวก็เอามาใช้ไม่ได้เสแล้วท่านพระครูอธิบายแล้วแบบนี้ดีไหมครับหลวงพ่อพระโบเียวถาม แบบไหนล่ะพระอุปชาไม่เข้าใจคาถามคือพลังจิตนะครับเป็นของดีหรือไม่ดีมันก็ตอบยากนะจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ดีก็ดีไปถ้าใช้มีดีก็ให้โทษได้เหมือนกันท่านรู้ว่าคนฟังยังไม่มีใครเข้าใจจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวอย่างเช่นคนนาพลังจิตไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านําไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอยากจะอวดริบหรือว่าอวดอุตริกมนุสธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเป็นไปเพื่อเพิ่มเกิเลสไม่เป็นไปเพื่อละกิรลสสรุปก็คือที่หนูเข้าไปแอบอยู่ใต้ต่างได้เพราะอํานาจของพลังจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อคุณนายดวงสุดาถามถูกแล้วคุณนาย แม่คุณนายจะไม่เคยฝึกจิตแต่ก็สามารถใช้พลังจิตได้เป็นการใช้แบบไม่รู้ตัวควบคุมไม่ได้แต่อยากใช้แบบควบคุมได้ก็ต้องฝึกจิตกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่โยมเตียกับโยมแม่ของคุณนายฝึกอยู่นี่แหละถ้าอย่างนั้นที่โจนมันใช้เอ็มสิหกยิงผมแต่ว่ายิงไม่ออกเป็นเพราะอํานาจพลังจิตใช่ไหมครับหลวงพ่อเจ้าแก่สิงถามการปฏิบัติกรรมฐานทุกวัน ทำให้เขาเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งขึ้นจะพูดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่อัตมาคิดว่าการที่ปืนยิงไม่ออกนั้นเป็นเพราะอนิสงของการมีสัจจะของโยมทั้งสองประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นอํานาจของสมาธิหรือพลังจิตนี้เองในคุณนายลองเล่าตั้งแต่ต้นจนจบซิอัตมาจะอัดเทปไว้เพื่อจะได้ไปเปิดให้คนอื่นเข้าฟังท่านหันไปเรียกสมชายให้นําเครื่องบันทึกเสียงและม้วนเทปมาให้ พร้อมแล้วคุณนายดวงสุดาก็เริ่มต้นเล่าวันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี่ยกับแม่ที่บ้านก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นกําลังนั่งสมาธิอยู่หนูก็เลยเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบน้องไก่ทอดมากินพอดีได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างจึงจะโงกลงไปดูตรงบันไดก็เห็นคนร้ายสี่หรือห้คนกําลังช่วยกันจับคนใช้สองคนมัดมือมัดปากหนูตกใจวิ่งมาหาเตี่ยกับแม่บอกว่าโจรปล้นโจนปล้น เขาก็ไม่ยอมลืมตาเสียงพวกมันเดินขึ้นมาหนูก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องในห้องน้ําตั้งใจจะไปซ่อนตัวในนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคลานลูกเลี้ลุกลนเข้าไปใต้ต่างแทนขอประทานโทษนะคะหลวงพ่อน้องไก่ทั้งน้องก็ยังอยู่ในปากต้องถือว่าโชคดีเชีวล่ะเพราะมันทําให้หนูร้องไม่ออกคืนไม่มีน้องไก่คงจะร้องให้คนช่วย แล้วก็ถูกโจยิงตายไปแล้วพอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตียก่อนขย่าตัวเตียแล้วบอกตะแปะตื่นตะแปะตื่นนี่คือการปล้นเตียก็ไม่ยอมลืมตามันก็หันไปขย่าแม่บอกซิ้มตื่นซิ้มตื่นนี่ว่ามาปล้นแม่ก็นั่งเฉยอีกเสียงพวกมันบอกว่ายิงเลยเฮียยิงเลยเฮียหนูจะเป็นลมเสให้ได้คลั้นจัก ร้องบอกเตียกับแม่ก็ร้องไม่ออกเพราะน้องไก่คาปากอยู่มันเอาปืนจาะที่ศีรษะเตี่ยแล้วก็ลั่นไกเสียงดังแชะแชะแต่ก็ไม่มีกระสุนพุ่งออกมามันก็หันไปหญิงแม่บ้างก็เป็นแบบเดียวกันอีกในที่สุดพวกมันก็เลยช่วยกันเก็บข้าวของมีทีวีวิทยุสตอรีโอและพวกเครื่องลายครามเอาไปข้างล่างคงจะไปใส่รถ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 เตี่ยกับแม่ก็ขยับตัวเปลี่ยนท่าจากนั่งสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียรประนมมือกล่าวคําแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและคุณนายแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าอุทิศส่วนกุศลเป็นไหมท่านถือโอกาสทดสอบความรู้คุณนายดวงสุดาเป็นค่ะหนูสวดมนต์ทุกคืนสวดเสร็จก็แผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะฟังไหมคะหนูจะว่าให้ฟังดีเหมือนกัน ว่าเป็นบาลีนะไม่ต้องแปลเพราะถ้าได้บาลีก็แปลได้จริงหมจริงค่ะแต่หนูนว่าจริงครึ่งเดียวเพราะบางคนว่าบาลีได้แต่แปลไม่ได้แค่นหนูเป็นต้นหล่อนยกตัวเองขึ้นมาเป็นตัวอย่างสำหรับผมผมว่าจริงไม่ถึงครึ่งครับหลวงพ่อพระบัวเหียวเอ่อยบ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะสวดมนต์เป็น แต่แปลไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ตัวเองสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่พระก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นพระโบเหียวเป็นต้นพระหนุมหารู้ไม่ว่าได้แบกไสให้พระอุปชารู้เข้าแล้วโบราณท่านสอนไว้ว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำรึงทองบัวเหียวเอ้ยถ้าเธอไม่พูดฉันก็ยังไม่รู้นะว่าอ่อนซ้อม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 ก็ยิ่งออเอาเปรียบคนอื่นมากสังคมก็เลยยุ่งเหยิงมากเพราะคนเอารัดออเอาเปรียบกันมากเท่าแก่เสีงแสดงความคิดเห็นนั่นสินะคนก็เลยพากันเป็นโรคประสาทมากพวกจิตแพทย์ก็เลยมีงานทํามากท่านพระครูเสริมพระโวเฮียวกําลังเวงเวียนอยู่กับคําว่ามากก็ออยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดาพูดโดยไม่มีมาก หนูว่าเจิตกระแพดเองก็เป็นโรคประสาทนะคะหลวงพ่อหนูเห็นมาหลายคนแล้วท่าทางไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่คงเป็นเพราะต้องครุกคลีกับคนไข้ามากก็เลยติดเป็นอย่างนั้นไม่ค่ะหลวงพ่อคุณกิมง้ะถามอุตสาหมีคําถามว่ามากอีกจนได้มันก็เป็นไปได้นะโยมอาตมาสังเกตว่ายิ่งโรคเจริญมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งเป็นโรคประสาทมากขึ้นเท่านั้น คนเป็นโรคประสาทเนี่ยต้องให้มาเข้ากรรมฐานใช่ไหมคะหลวงพ่อถามอย่างคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นน้อยก็จะเป็นมากส่วนคนที่เป็นมากก็บ้าชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวคนเป็นโรคประสาทห้ามเข้ากรรมฐานอย่างเด็ดขาดอันนี้มีพระพุทธพจน์รับรองไว้ชัดเจนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะอยู่ในคัมภีร์เล่มที่สิบสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอนาปานสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะเคยมีตัวอย่างนายโยมที่วัดนี้แหละดูเหมือนอาตมาเคยเล่าให้พระบูฮียวฟังแล้วเรื่องที่อาจารย์มหาวิทยาลัยแกเป็นโรคประสาทพวกญาติญาต์พามาเข้ากรรมฐานที่นี่ปฏิบัติสองวันแรกก็ไม่มีอาการพอวันที่สามลุกขึ้นรำป้อเลยเขาไปตามอาตมามาดูรำสวยเสด้วยซิ ใครๆห้ามก็ไม่หยุดฉะนั้นโยมจำไว้เลยว่าคนเป็นโรคประสาทอย่าพามาเข้ากรรมฐานต้องพาไปรักษาให้หายก่อนหายแล้วก็ต้องดูรอดูอีกสองหรือว่าสามปีหายใหม่ๆอย่าพามาเพราะว่าโรคอาจจะกำเริบอีกได้ก็เคยมีตัวอย่างหลายรายมาแล้ว หลวงพ่อครับหลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับถ้าผมจะกราบเรียนว่าผมอยากฟังเรื่องปล้นต่อกาลังสนุกเลยครับพระบวยเหี่ยวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดฉันน่าไม่ขัดข้องหรอกแต่คนเล่าเ็าจะเล่าลรกเปล่าข้อนี้ฉันไม่รู้ต่อสิคาต้องเล่าต่อเอมุตะกีนี้ถึงไหนแล้วคะแม่หลันหันไปถามมารดาตอนเตี่ยกับแม่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและก็แผ่เมตตาจากัก และหลวงพ่อท่านให้หนูว่าให้ฟังคุณกิมง้อทวนความจำให้บุตรสาวงั้นเพื่อไม่เสียเวลาหนูว่าขอให้ฟังย่อๆนะคะคำแผ่เมตตาแบบสั้นมีว่าสเพสตาอเวราอัพยาปั ช, ชาอานิคาสุขีอัตนางปริหรันตุคำอุทิศส่วนกุศล ข, ขึ้นต้นว่าอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุ มาตาปิตโรแล้วถ้าแผ่เมตตาให้ตัวเองขึ้นต้นว่าอย่างไรท่านพระครูถามอีกอหังสุคิโตโหมิค่ะตอบกะฉานเกง่งเกง่งอาตมาเชื่อแล้วอละล่ะทีนี้ก็เล่าเรื่องล่นต่อไปได้ค่ะเพราะเตียยกับแม่เสร็จทุระตำรวจก็สอบปากคำสอบหนูด้วยหนูก็เล่าไปตามที่ได้เห็นตำรวจเขาบอกว่า เห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอกใจจึงถามว่าจะเอาไปไหนคนร้ายมีพิรุธหลายอย่างแล้วก็ตอบคําถามไม่ตรงกันในที่สุดก็สารภาพว่าปล้นเข้ามาจึงถูกพามายัางบ้านที่เกิดเหตุตอนนั้นเวลาสักเท่าไหร่เป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเย็นๆครับเท่าแก่เสียงตอบทุกวันตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นผมกับคุณกิมงาะจะปฏิบัติกรรมาฐานกัน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 อยู่ๆก็ขโมยมันมลรักควายต้อนไปจนหมดคอกให้พักพวกของมันคุมไปเหลือคนนึงไว้ดูต้นทางเจ้าหมอนั่นก็บังเอิญมองขึ้นไปบนเรือนเห็นคนเดินไปมาอยู่สองคนปากก็ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินกันมืดๆอย่างนั้นแหละเจ้าขโมยมันก็ขำนึกว่าเจ้าของบ้านละเมอไม่รู้ขำอิท่าไหนก็เลยถอยหลังไปเหยียบสุนัขที่กําลังหลับอยู่ โซนักก็ตื่นเหาเสียงดังขึ้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลุกมาดูจักขโมยได้แล้วก็พากันจุดคบใต้ไปตามควายมาใส่ข้อไว้อย่างเดิม ใหญ่บ้านก็คุมตัวขโมยได้จับได้คนเดียวคือคนที่ดูต้นทางนอกนั้นวิ่งหนีไปได้ก็พากันไปนั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จจึงเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอกเขารู้ตั้งแต่ตอนที่ขโมยมันต้อนควายออกไปแล้วแต่เขารักษ า, ษาสัจจะบอกว่าจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องได้ควายมันจะหายก็่างนี่เขามานั่งเล่าให้อัตมาฟังตรงนี้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 ผู้ร้ายห้าตำรวจห้าเป็นตำรวจสายตรวจกำลังขับรถจะเข้ามาตรวจดูความสงบเรียบร้อยในซอยนั้นนับว่าผมโชคดีมากผู้ร้ายถูกดำเนินคดีติดคุกกี่ปีหละ่ะพระบุเหียวถามอีกไม่ถูกครับถูกขังไว้เกือบสามเดือนผมไม่ยอมให้การอ้างว่าจำหน้าผู้ร้ายไม่ได้ความจริงผมจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมจาเป็นต้องพูดปดเพื่อจะได้ไม่ก่อเวร คือเจ้าคนที่มาปล้นน่นะมันเป็นลูกหนี้ผมเองมายืมเงินไปหลายหมื่นแล้วก็ไม่ใช้ผมก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีเขาคงแค้นก็เลยพาพวกมาปล้นผมและที่ใช้เอ็มสิหยิงผมก็คงอยากจะให้ตายเพื่อล้างหนี้เป็นบุญของผมที่มาเข้ากรรมฐานเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คงจะสิ้นชื่อไปแล้วผมก็ใช้สติพิจารณาว่าถ้าผมเอาเข้าเข้าคุก วันหนึ่งเขาจะต้องออกมาแก้แค้นผมก็จะเป็นการก่อเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรั ง, งับเวรใชบ้างผมจึงจำใจโกหกว่าจำหน้าผู้ต้องหาไม่ได้ตำรวจเขาขังไว้ไม่ถึงสามเดือนก็ปล่อย ช่วงนั้นผมกับคุณจิมเนาะก็แผ่เมตตาเอาโหสิกรรมให้เขาทุกวันหลวงพ่อเชื่อไหมครับอนิสงค์ของเมตตานี่อัศจรรย์มากเมื่อวานนี้เองเขาพากันมาหาผมที่บ้านเอาธูปแผ่เทียนแผ่ใส่พานมาขอขมาผมบอกว่าขอโทษและขอบคุณที่ผมไม่เอาเรื่องก็รู้ว่าผมจำเขาได้ขอขมาเสร็จก็บอกว่าจะผ่อนใช้งีคืนจะไม่โกงแม้แต่สตางแดงเดียว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 แลก็ตื้นตันจนน้าตาไหลออกมาเป็นทางตามร่องแก้มคุณกิมเงาะทําตามผู้เป็นสามีเพาว่าม่ได้ร้องไห้ สมชายนำรถเข้ามาจอดที่หน้าเรือนปัญญาหลังใหญ่ฝูงสุนัข ก, ก็วิ่งกรูกันเข้ามาส่งเสียงเห่าอึงคนึงไม่มีผู้ใดลงมาไล่สุนัขฝูงนั้นท่านพระครูจึงแผ่เมตตาไปยังพวกมันและบอกในสมชายว่าไปลงไปจากรถได้แล้วรับรองว่าปลอดภัยชายชหนุ่มจึงเปิดประตูลงจากรถอย่างหวัดหวาดและอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงอีกด้านหนึ่งฝูงสุนัข ก, ก็วิ่งกระดิกหางเข้ามาต้อนรับ ลังส่งเสียงงืดงาดท่านพระครูเดินนําในสงชายขึ้นไปบนบ้านพบนางปันนอนแบกอยู่บนเตียงข้างนอกชานที่นอนเปียกชื้นด้วยน้ําปัสสาวะคละคากับน้ําเหลืองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งยมปันอาตมามาเยี่ยมท่านเอ่ยทักในสงชายยกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งข้างเตียงหลวงพ่อหรือจ้าโถอุตสาหมาเยี่ยมขอบพระคุณมากจาก้ะ นางพูดพลางยกมือขึ้นประนมทั้งที่นอนแบบอยู่อย่างนั้นเนื่องจากป่วยเป็นอมาาัมพาตเดินไม่ได้มาห้าหกปีแล้วสมชายไหนล่ะของเยี่ยมท่านถามหาของซึ่งเตรียมมาจากวัดป่ามะม่วงอยู่ในรถครับเดี๋ยวผมลงไปเอามาให้พูดจบก็ลงบันไดไปสักครู่ก็ขึ้นมาพร้อมกับถาดทรงกลมในถาดบรรจุโอวันตนนมสดและนมข้นเขาวางลงข้างๆเตียงแล้วก็ถอยออกมา นั่งเซตไกลเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวหลวงพ่อมาเยี่ยมฉันก็เป็นพระคุณแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้นางปันพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกโยมอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่าไปคิดมากเลยนะนี่โยมอยู่คนเดียวหรือโยมผู้ชายไปไหนเสละ่ะท่านถามหาสามีของนางปันไปนาจักไปดูข้าเกี่ยวข้าวจ้าง เขาคนละยี่สิบบาทต่อวันก็เลยต้องไปคุมเห็นว่าวันนี้มากันตั้งสิบคนและยมกินข้าวกินปลาหรื อ, อยังละ่ะช่วยตัวเองได้บ้างไหมท่านถามอย่างเป็นห่วงไม่ได้เลยจ้หลวงพ่อเมื่อเช้าทิดเขาก็ป้อนข้าวแล้วเขาก็ออกไปนากลางบันก็กลับมาป้อนข้าวเรื่องกินก็เลยลำบากไม่เท่าไหร่จะลำบากก็ตอนนั่งตอนเบานี่แหละเหม็นกลุ้งเลย นางพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูหรือว่าท่านจะต้องเหมินขนาดลูกศิษย์ยังเลี่ยงไปนั่งไกลท่านพระครูมีอันจะต้องกำหนดได้กลิ่นหนอเพราะเป็นคนรักความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกเต่าเข้าไปไหนกันหมดละ่ะโยมีลูกหลายคนไม่ใช่หรืท่านถามพรางนึกตำหนิลูกๆของนางที่ปล่อยให้แม่ต้องมานอนป่วยอยู่เดียวดายเช่นนี้เขามีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมดแล้ว ตั้งแต่แบ่งนาให้ไปคนละสามร้อยไร่ก็ไม่มีใครมาให้เห็นหน้าอีกเลยเหลือแต่ลูกสาวคนสุดท้องที่กำลังเรียนปริญญาโทอยู่เมื่อสองสามวันก่อนเขามาบอกให้ฉันหาเงินไว้ให้สักสองหมื่นเขาว่าเขาจะเอาไปพิมพ์หนังสือเสียงแตรรถดังอยู่หน้าบ้านท่านพระครูหันไปมองก็เห็นรถบ m เอมดับิสีตะกววตัด วิ่งเข้ามาจอดอยู่คู่กับรถตู้ของท่านคนขับเป็นผู้หญิงอายุราวยี่สิบห้ามีผู้หญิงวัยเดียวกันตามมาอีกสีห้าคนฝูงสน ก, ก็เว่งกรูเข้ามาแต่ถูกคนที่ขับรถไล่ตะเพิดออกไปขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่เดี๋ยวไม่รู้ว่าหาให้ได้หรือยังหล่อนพูดพลางเดินนำขึ้นไปบนบ้านเห็นพระนั่งอยู่ข้างๆมารดาจึงยกมือไหว้ หนูมาหาใครจะ้ะท่านทักขึ้นก่อนมาหาแม่จักฉันเป็นลูกสาวคนที่นอนอยู่บนเตียงหล่อนชี้มาที่มารดาส่วนเพื่อนเพื่อนของหล่อนก็นั่งรออยู่ห่างๆ ห, หนูมาก็ดีแล้วนะช่วยซักพ้านุง่งและผ้าปูที่นอนให้แม่เขาด้วยกลิ่นอุจจาระปัสสาวะครุ้งไปหมดท่านถือโอกาสใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อหนูจะรีบไปพูดพลางหันไปมองเพื่อนๆซึ่ง ขยิบหูขยิบตาใส่ทํานองว่าอย่าซักจะรีบไปไหนละจ๊ะไปเผาศพญาติของเพื่อนที่อยุธยาค่ะหล่นตอบรู้สึกไม่พอใจที่ถูกซักสายไล่เลียงก็ซักผ้าให้แม่ก่อนแล้วค่อยไปคงกินเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกหน้าญิงสาวหันไปมองเพื่อนๆอนอย่างเกรงใจเห็นพวกเขาทำบุวยใบยว่าไม่ซักจึงบอกให้ท่านพระครูรู้ว่าไม่ได้หลอกหลวงพ่อ เดี๋ยวเพื่อนๆ เ, เขาจะรอก็ให้เขารอสักประเดี๋ยวจะเป็นไรไปเดี๋ยวไปไม่ทันงานเผาศพหล่อนตอบเสียงห้วนรู้สึกรำคาญขึ้นมาตังหงิดตังหงิดเป็นพระเป็นเจ้ามายุ่งอะไรกับเรื่องของหล่อนขนาดแม่หล่อนแท้ๆก็ยังไม่กล้าใช้ท่านพระครูล่วงรู้ความคิดของหญิงสาวการที่ท่านเฝ้าซีให้หลอนซักผ้าให้มารดาก็เพื่อจะช่วยตัดกรรมให้ แต่หล่อนกลับแสดงอาการไม่พอใจออกนอกหน้าท่านจึงพูดเสียงค่อนข้างดังว่าขอเทดทหนูอาตมาขอถามตรงๆว่าคนที่ตายน่ะเขามีความสำคัญต่อหนูมากกว่าแม่ของหนูหรือไงและถ้าหนูไม่ไปเผาศพเขาจะทำให้งานต้องล้มเลิกไปเลยใช่ไหมท่านประชดหากหล่อนไม่สนใจหันไปพูดกับมารดาว่าแม่เงินสองหมื่นหาได้หรือ ย, ยัง ที่หนูขอไว้จะไปพิมพ์วิทยานิพนธ์น่ะยังหาไม่ได้หรอกอีนูเอ้ยพ่อเองเขโมยยุ่งอยู่กับเรื่องเกี่ยวข้าวก็เลยยังไม่มีเวลาไปหยิบไปยืมใครนางปันพูดอย่างเกรงใจลูกสาวแล้วเมื่อไรจะได้ละ่ะบอกตั้งหลายวันแล้วลูกสาวพูดเกือบจะตะคอกท่านพระครูจึงถือโอกาสถามขึ้นว่าหนูเรียนอยู่ที่ไหนละจ้ะหนูเรียนปริญญาโทอยู่กรุงเทพคะ่ะ กำลังทำวิทยานิพนธ์จะมาขอเงินแม่ไปพิมพ์หล่อนพูดอย่างภาคภูมิใจรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเมื่อท่านถามเรื่องเรียนอ๋อเรียนปริญญาโทเชลรึอยู่สถาบันไหนละ่ะยญิงสาวเอ่ยนามมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยท่านลับครูกลับลงความเห็นว่าไม่น่าคนอย่างหนูนี่ไม่น่าจะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆอย่างนี้ทาไมล่ะครับ ก็ทาให้เสียชื่อสถาบันเขาหมดนะสิท่านว่าเอาตรงๆเสียชื่ อ, อยังไงคะหนูเสียหายตรงไหนถามโกรธเสียหายตรงนี้หนูไม่มีความกระตันยูกะตะเวทิตาธรรมอยู่ในจิตใจเลยนะสิแม่นอนป่วยแทนที่จะมาพยาบาลรักษากลับเห็นญาติของเพื่อนสาคัญกว่าอัตมาขอว่าหนูตรงๆอย่างนี้น่าเสียดายที่มีความรู้สูง แต่คุณธรรมไม่มีเลยหนูจำไว้ด้วยว่าความรู้นั้นต้องคู่กับคุณธรรมถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวก็เป็นคนดีไม่ได้ท่านพระครูเทศยืดยาวโดยไม่ต้องมีการอรรถนาท่านรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้จะต้องรับกรรมอย่างหนักอยากจะช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงก็ต้องลงทุนเทศนาหล่อนทั้งที่รู้ว่ามันทําให้หล่อนขัดเคือง ด้วยความเมตตาสงสารไม่อยากให้เขาประสบเคราะห์กันท่านจึงพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนว่าหนูอาตมาขอร้องเถอะหนูช่วยเอาผ้าแม่ไปซักหน่อยแล้วหนูจะเจริญรุ่งเรืองเจริญลักนี่ถ้าอาตมาไหว้หนูได้ก็จะไหว้เดี๋ยวนี้เลยนะหนูนะไม่ซักไม่ซักหรอกคนจะรีบหลวงพ่ออยากซักก็ไปซักเองสิ นิสิตปริญญาโทรกล่าวจ่วงจาบพระสงค์หนูนิทยมปั่นเป็นแม่อัตมาอัตมาจะซักให้หนูดูอย่างไม่นึกกรังเกียจเลยแต่จนใจที่ทําไม่ได้เพราะมันผิดวินยัยพระวินัยอนุญาตทําให้แม่ได้เท่านั้นทําให้คนอื่นไม่ได้วินงวินยัยอะไรหนูไม่สนใจหรอกหนูไปละแม่ไปก่อนนะอย่าลืมหาเงินไว้ให้ด้วยละ่ะ พูดแล้วก็ชวนเพื่อนๆลงเรือนไปไม่สนใจที่จะไหว้าลาท่านพระครูด้วยซ้ำเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่ว ง, งมองตามรถบ m เอมดด้วยความรู้สึกสลดหดหูท่านหันไปพูดกับนางปันว่าไม่ไหวนี่ยอมเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เป็นแบบนี้มันเวรกรรมของฉันจ้หลวงพ่อนางปันพูดไปร้องไห้ไป นี่เขาก็มาข่มขู่จะเอาเงินไปพิมพ์หนังสือฉันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้เขาสมบัติอะไรก็แบ่งให้ไปหมดแล้วนาสามร้อยไร่นั่นเขาก็ขายหมดเอาไปแลกรถคันนั้นมาได้คันเดียวบอกเขาก็ไม่เชื่อห้ามเขาก็ไม่ฟังนางร้องไห้สะอึกสะอื้น ไม่ดีนาะที่เป็นลูกโยมถ้าเป็นลูกอาตมาแล้วก็คงตัดหางปล่อยวัดไปแล้วอย่าไปว่าเขาเลยจ้าหลวงพ่อมันเป็นกรรมของชั้นเองนางปั่นไม่ไวายเข้าข้างลูกขอถามหน่อยเถอะโยมตั้งแต่โยมนอนป่วยมาเนี่ยลูกสาวเคยซักผ้าให้ไหมผ้าที่เปื้อนอุจจาระปัสสาวะของโยมนะ่ะไม่เคยจ้ะ เขารังเกียจมีแต่ทิศนั่นแหละเขาซักให้นางหมายถึงผู้เป็นสามีพูดยังไม่ทันขาดคําในคําก็ขึ้นเรือนมาครั้นเห็นท่านพระครูจึงเข้ามานั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้หลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับสักพักนึงเห็นจะได้เป็นไงวันนี้เกี่ยวข้าวได้กี่ไร่สักสามไร่เห็นจะได้ครับวันนี้จ้างคนมาเกี่ยวสิบคนเดี๋ยวนะครับผมขอตัวไปหาน้ามาถวายหลวงพ่อก่อน พูดพลางตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ท่านพระครูห้ามไว้ไม่ต้องหลอกโยมอาตมาเรียบร้อยมาแล้วโย ม, มาเหนือหน่อยๆนั่งพักไะก่อนเดี๋ยวอาตมาจะกลับแล้วทิดเมื่อกี้อินูมันมาเอาเงินน่นางปั่นบอกสามีแล้วแกทำยังไงล่ะบอกมันว่ายังไงก็บอกว่ายังหาไม่ได้ท่าทางมันโกรธเจยว ลูกสาวโยมนี่ไม่ไว้เลยนะอาตมาให้ช่วยซักผ้าให้โยมปัน่นเขาก็ไม่ยอมซักท่านพระครูฟ้องเหลือเกินเลยล่ะครับหลวงพ่อเขาถือว่าเรียนสูงกว่าพ่อแม่จะสั่งสอนยังไงเขาก็ไม่ฟังดูถูกพ่อแม่วัดจบแค่ป .4 ผมว่าเขาคงไปไม่ถึงไหนอย่าหาว่าแช่งลูกเลยนายขำพูดอย่างอ่อนล้ารู้สึกผิดหวังที่มีลูกไม่ได้ดังใจสักคนเดียว อย่าไปโทษลูกมันเลยทิดเอ้ยมันเป็นกรรมของข้าเองนางปั่นปลามสามีพลางขยับตัวอย่างลำบากการนอนแบบอยู่กับที่เป็นเวลาแรมปีทำให้เนื้อบริเวณหลังเปือยกลายเป็นแผลเรื้อรังน้ำเหลืองไหลยเยิม้มแกก็เข้าข้างมันทุกทีมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงล่ะในคำว่าพันรยามันจริงๆินี่นาหลวงพ่อเชื่อฉันเถอจะจ้ะ ว่ามันเป็นกรรมของฉันเองฉันทํากรรมเอาไว้กับแม่ลูกก็เลยทํากับฉันเหมือนที่ฉันได้ทํากับแม่ฉันจะเล่าให้หลวงพ่อฟังนางหยุดหายใจลึกๆสองสามครั้งแล้วก็เริ่มต้นเล่าด้วยเสียงอันแหบเครือแม่ฉันน่ะเป็นอมพาสนอนป่วยอยู่เป็นปีฉันไม่เคยซักผ้าให้แกตอนนั้นฉันอยู่กับยายไม่ได้อยู่กับแม่เวลายายให้เอาข้าวมาส่งให้แม่ ฉันก็เอามาส่งแล้วก็รีบกลับกลับไปบ้านยายแม่เคยขอร้องฉันว่าอีนูช่วยซักผ้าให้แม่หน่อยฉันก็ไม่ยอมซักพ่อกลับมาจากนาก็ต้องมาซักผ้าให้แม่ฉันอยู่กับยายไม่เคยไปพยาบาลแม่เลยอยู่กันคนละบ้านยายเป็นคนทํากับข้าวให้ฉันเอาไปส่งให้แม่ทุกวันส่งเสร็จฉันก็กลับไม่เคยซักผ้าให้แม่สักครั้งเดียวฉันจึงไม่โกรธลูก ที่เขาไม่ซักผ้าเหตุฉันนางปั่นเล่าเรื่องราวแต่หุนหลังให้ท่านพระครูฟังอ๋ออย่างนี้นี่เองจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านจึงมองเห็นกฎแห่งกรรมของลูกสาวนางปัน่นครั้นจะเล่าให้สองผัวเมียฟังก็เกรงเขาจะไม่สบายใจก็จึงนิ่งเสียอาตมาเห็นจะต้องลากลับชั่วทีนะโยมจะได้พักผ่อนกันหรือว่าท่านจะกลับ นางปันก็มีอันเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวขึ้นมาทันทีตอนคุยกับท่านรู้สึกเพลินจนลืมความเจ็บปวดนางร้องกลวนคลางขึ้นว่าหลวงพ่อฉันทรมานเหลือเกินช่วยฉันด้วยโยมเคยเข้ากรรมาฐานมาแล้วไม่ใช่รืออาตมาจําได้นะจําได้ว่าโยมเคยไปอยู่วัดป่ามะม่วงหลายวันจะฉันเคยไปเข้ามาสองครั้งตอนก่อนจะล้มป่วยครั้งแรกอยู่เจ็ดวัน ครั้งที่สองสิบห้าวันนั่นแหละโยมเอาวิชานั้นแหละมาใช้ใช้ยังไงจะหลงพ่อฉันลืมหมดแล้วเพราะตั้งแต่กลับจากวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกยิ่งพอมาล้มป่วยก็เลยโลกพูดถึงไปเลยเอาเถอะลืมก็ไม่เป็นไรอาตมาจะช่วยทบทวนให้ก็ยังดีกว่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดคนที่เคยปฏิบัติแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีเชื้อหลงเหลืออยู่บ้างฟังนะโยม เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็เอาจิตปักไว้ที่ตรงนั้นหรือที่เรียกว่าเอาความเจ็บปวดมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็กำหนดว่าปวดหนาหรือเจ็บหนาไปตามที่เป็นจริงถ้ามันทั้งเจ็บทั้งปวดก็กำหนดว่าเจ็บปวดหนาเจ็บปวดหนากกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิ เราก็จะรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นมันคลายลงโยมทำได้ไหมละ่ะจะคิดว่าคงทำได้ต้องทำได้สิอย่าคิดว่าคงทำได้ได้ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเลยว่าต้องทำได้โยมต้องใช้สติขมทุกขเวทนาให้ได้เข้าใจหรือยังเข้าใจจากขอบพระคุณหลวงพ่อมาก ถ้าหลวงพ่อพอมีเวลากรุณามาเยี่ยมฉันอีกนะจ๊ะฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานอย่างน้อยหลวงพ่อก็จะได้มาช่วยส่งวิญญาณฉันให้ไปสุขตินางปันพูดอย่างคนที่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดา ต้องให้อาตมาส่งล็อกโยมส่งเองก็ได้เราเคยปฏิบัติแล้วเราก็รู้แล้วนี่ว่าทางไหนเป็นยังไงถ้าเราอยากจะไปทางสายนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างไรรู้จ่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันทําไม่ได้อย่างที่รู้นั่นแสดงว่าโยมรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติได้จําไว้นะโยมวันนี้อัตมาให้สติโยมหลายเรื่องด้วยกัน และถ้ายมปฏิบัติตามได้โยมก็จะพ้นทุกได้อาตมาลาแล้วนะในคำกุลีกุจอตามมาส่งท่านที่รถซึ่งในสมชายลงมารออยู่ตั้งแต่ได้ยินว่าท่านจะกลับท่านพูดให้กำลังใจในคำว่าอดทนเอาหน่อยนะโยมนะคิดซื้อว่าเคยทำกรรมร่วมกันมาโยมปั่นก็คงจะเคยปฏนิบัติโยมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโยมก็เลยต้องมาทำให้เขาบ้างก็ใช้ใช้หนี้กันไปเสียให้หมด จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันครับหลวงพ่อชาตินี้ผมเกิดมาใช้หนี้ลูกใช้หนี้เมียก็จะตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปจนกว่าจะตายชาติหน้าชาติไหนผมจะไม่เกิดเป็นไอ้ขำอีกแล้วขอเกิดเป็นพระอย่างหลวงพ่อดีกว่าจะได้ตัดพพตัดชาติให้สิ้นไปพูดอย่างคนที่เข็ดหลาบ ก, กับชีวิตดีแล้วอาตมาขออนุโมทนา ถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ขอให้อธิษฐานจิตแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาถ้าจิตถึงโยมก็จะได้เป็นดังที่อธิษฐานอาตมาลาแล้วนะโยมนะ ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อขอบพระคุณที่ได้เตือนสติทําให้ผมมีกําลังใจต่อสู้กับชีวิตต่อไปขอให้หลวงพ่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วนะครับเป็นคำอวยพรที่ถูกใจท่านพระครูยิ่งนักแม้จะกําหนักดีว่าการจะบรรลุถึงจุดหมายได้เร็วหรือช้านั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรของตนเองเป็นสาคัญก็าตามรถเคลื่อนออกพ้นบริเวณบ้านมาแล้วนายสมชายจึงเอ่ยขึ้นว่า หลวงพ่อนั่งคุยอยู่ได้ตั้งนมตั้งนานไม่รู้สึกเหนบ้างหรือไงขนาดผมนั่งอยู่ห่างๆยังแทบอ้วกท่านพระครูไม่ตอบแต่กลับถามขึ้นว่าเธอเห็นลูกสาวเขาไหมคนที่ขับรถบนะีเอ็มน่ะช่างหน้าเกลียดเสือเละเกินหน้าเกลียดอะไรเขาสวยออกเสียดายที่ผมเกิดช้าไปหน่อยไม่งั้นจะจีบรูปสวยๆรวยทรัพย์นับวิชาเธอก็เห็นแต่รูปภายนอกทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแหละ แต่รูปภายในซับภายในเธอไม่เคยเห็นก็ไม่จําเป็นจะต้องเห็นนี่ครับหลวงพ่อจําเป็นสิสมชายทาไมจะไม่จําเป็นเพราะคนเขาคิดอย่างเธอนี่แหละชีวิตคู่สมัยนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้เพราะดูกันแค่ภายนอกนี่เองผมไม่เถียงหลวงพ่อดีกว่าชักปวดหัวตังหิตตังิตแล้ววันนี้เจอแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้น ทำไมผมจะต้องมาเจอเรื่องหนักๆในวันพฤหั ส, สบดีซึ่งเป็นวันที่ผมเกิดเอาละไหนๆก็เจอแต่เรื่องหนักๆมาแล้วก็มาเจออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเอาหนักซีวันเดียววันอื่นจะได้ไม่หนักเธอรู้เปล่าฉันเห็นกฎแห่งกรรมแม่หนูที่ขับบีเอ็มนั่นแล้วในอนาคตเขาจะต้องเป็นอมาาพาสเหมือนแม่เขาแล้วลูกเขาก็จะไม่มาปรนิบัตยิยิ่งร้ายไปกว่านั้น คือสามีทิ้งเขาไปมีเมียใหม่จะไม่มาคอยดูแลเหมือนที่พ่อเขาดูแลแม่เขาถึงว่าสิหลวงพ่อถึงได้คาดคันเขานักให้เขาซักผ้าให้แม่หลวงพ่อต้องการจะช่วยเขานี่เองแต่เขาก็ไม่ยอมรับความหวังดีของหลวงพ่อน่าสงสารจริงๆในถ้าผมอายุเท่าเขาก็คงไม่คิดจะจีบแล้วละ่ะผมขี้เกียจมานั่งซักผ้าคีไผ่เยี่ยวให้คงเหม็นตายแน่ๆ นายสมชายทำท่าสะอิดสะเอียนฉันทึงว่ามันเป็นกรรมในหลักกรรมที่ไม่มีผู้ใดช่วยได้ฉันก็พยายามแต่มันไม่สำเร็จไม่สำเร็จผลก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมดังพระพุทธพ์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรม สมชายพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงตอนพลบค่ามีรถจอดอยู่ที่รานจอดรถหลายคันทั้งรถกระบะรถตู้รถเกง๋งและก็รถมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคนที่มาหานั้นจะต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือรีบด่วนชนิดที่รอให้ถึงวันพระไม่ไหวจะเอาวัดวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางอยากจะพักผ่อนอาบน้าอาบท่าแต่ก็สงสารคนที่รอจึงจาต้องเดินไปนั่งยางอาสนะ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 ยมกินข้าวกันหรือยังเป็นคำถามแรกที่ท่านถามเรื่องปากเรื่องท้องย่อมมาเป็นอันดับแรกสำหรับบุคคลที่ยังเป็นผู้ครองเรือนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะบุรุษและสตรีที่นั่งอยู่ในโกติตอบพร้อมกันข้างหน้าของแต่ละคนมีแก้วน้ำใส่น้ำชาวางอยู่ท่านนึกสงสัยว่าใครนอเป็นผู้บริการเนื่องจากนายสมชายก็ไปกับท่าน จึงถามใครเอาน้ํามาเสิร์ฟละ่ะเพราะรู้ว่าแม่ครัวไม่ตามมาให้บริการถึงที่กุติลูกศิษย์หลวงพ่อที่เคยอยู่กุตินี่ล่ะครับคนสูงๆผอมๆเมื่อกี้ น, นี่ก็ยังมาจัดคิวให้ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเสแล้วคนพูดมองหน้ามองหลังเพื่อค้นหาคนที่มาบริการน้ำท่านพระครูต้องการคําตอบก็จึงต้องพึ่งเห็นหนอ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 จึงไม่มีใครอยู่ต้อนรับแขกแม่การหลงจึงต้องมาทำหน้าที่บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มเสร็จแล้วยังพาเข้าที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่เรียบร้อยรุ่งเช้าท่านจึงทราบเรื่องว่ามีข้าราชการมาพักที่วัดก็ได้ถามด้วยความเป็นห่วงว่ากินอยู่กันอย่างไรเพราะคนที่คอยบริการพากันไปดูลิเกสมดข้าราชการหญิงคณะนั้น ก็ตอบว่าลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นผู้หญิงสวยๆผมยาวๆมาต้อนรับทำอาหารอย่างอร่อยให้รับประทานมียำใหญ่กับแกงมัสมัน่นและยังจบท้ายด้วยกาแฟร้อนคนละถ้วยจากนั้นก็พาไปส่งยังกุฏิที่พักท่านพระครูจัดการเรียบบรรดาแม่ครัวหมดวัดเพื่อให้เขาชี้ตัวว่าคนไหนเขาก็บอกไม่ใช่คนมีอายุเพราะคนนั้นเขายังสาวและสวย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 เขาบอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะท่านพระครูถามหลายคืนแล้วครับผมกับภรรยาก็ลืมอยู่เรื่อยเขามาบอกสามครั้งแล้วเขาตายนานหรือยังและเป็นอะไรตายตายมาสักปีเห็นจะได้เป็นไข้าตายครับอายุเท่าไหร่ตอนที่ตายยี่สิบสามครับเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทํางานได้ปีเดียวทําไมเขาถึงอายุสั้นล่ะครับหลวงพ่อผมแปลกใจว่าชีวิตเขา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 ตอนจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับที่สองและวเขาก็เข้าทํางานที่กรมวิทยาศาสตร์มาปีที่แล้วก็เป็นไข้ก็ไขวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลวงพ่อไม่น่าตายเลยคนทําหน้าที่เป็นทั้งบิดาและพี่เขยของผู้ตายบอกกล่าวแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนิสัยดีครับว่านอนสอนง่ายถ้าจะเสียก็เห็นจะมีอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ชอบทําบุญ ไม่เคยทําบุญไม่เคยเข้าวัดแต่ตอนตายไปแล้วเขาทําไมถึงรู้จักวัดป่ามะม่วงแล้วก็รู้จักหลวงพ่อด้วยผมสงสัยจริงๆนะครับโยมีรูปถ่ายก็ไม่ละ่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรมีครับพอดีภรยาผมเขาบอกให้เอารูปถ่ายติดมาด้วยนี่ครับพูดพลางก็ส่งรูปถ่ายขนาดสามนิ้วให้ท่านพระครูท่านรับมาพิจารณาแล้วกําหนดเห็นหนอ ก็เห็นกฎแห่งกรรมของผู้ตายอย่างชัดเจนก็จึงพูดขึ้นว่าน้ำมันหมดในโยมหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อบุรุษนั้นไม่เข้าใจหมายความว่ากรรมดีที่เขาสะสมมานั้นหมดลงการที่เขาดีมาตลอดก็เป็นเพราะกรรมดีมีมาแต่ในชาตินี้เขาหยุดทำไม่ทำบุญให้ทานเรียกว่าไม่เติมน้ำมันน้ามันที่เป็นของเก่ามันก็เลยหมด พอไปอดไปอยากเข้าถึงได้ละลึกรู้ถึงกรรมที่ตนทรรมก็เลยเร่ร่อนมาถึงวัดป่ามะม่วงเอาเธอและอาตมาจ่าจัดการให้ท่านถือโอกาสสั่งสอนผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นด้วยว่าญาตโยมทั้งหลายโปรดทราบบาปบุญนั้นมีจริงจิตวิญญาณมีจริงและสังสารวัตรก็มีจริงจงดูตัวอย่างแม่หนูคนนี้เอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้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 ผมเห็นจะต้องลา ก, กลับละครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้าคิดว่าไม่พบหลวงพ่อแล้วบุรุษวัยสี่สิเจตทาความเคารพด้วยการกราบสามครั้งและจึงลุกขึ้นออกไปรายที่สองกำลังจะ ก, กลานเข้ามาแทนที่ ชายวัยห้าสิบเศษก็วกระหืดกระหอบเข้ามาในกุฏิพูดรละล่ำและลักว่าหลวงพ่อช่วยลวยแม่อ้วะแม่อ้วะเท่าแกคิวอวอย่าลักคิวสิเจ้าทุกรายที่สองซึ่งเป็นสตรีร่างขาวท้วมขัดจังหวะขึ้นขอโทกขอโทษลวยแม่อ้วะแม่อ้วกกำลังจะซีเลียวหลวงพ่อไปช่วยอินหน่อย ประโยคหลังเขาพูดกับท่านพระครูท่าทางดูร้อนรนน่าสงสารและน่าสมเพศ ร, ระคนกันจะให้อัตมาช่วยอะไรล่ะเท่าแกอัตมาไม่ใช่หมอสักหน่อยท่านออกตัวไล่ไล่หลวงพ่อต้องช่วยไลย่ถึงไม่เป็นหมอก็ช่วยไล่หลวงพ่อช่วยอย่าให้อีตายนะแล้วอ้วจะทางบุงกับหลวงพ่อสองหมื่นเขาให้สินบนด้วยความเคยชิน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 ช่วยได้แค่นี้เองนะเท่าแก่ท่านไม่ได้พูดต่ออีกว่าหากบอกแล้วเขาไม่เดินไปตามทางที่ท่านบอกก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อย่างงั้นหลวงพ่อช่วยบอกทางให้อีไล่ไปเหลวนี้เลยว่าเอาลกมารับแล้วยังไปไม่ได้หรอกเท่าแก่เลิกกลับไปก่อนเธอพรุ่งนี้อาจจะมาจะไปเห็นหรือเปล่าแขกเต็นกุฏิเลย ถ้อีซีไปก่องลาหลวงพ่อใครจะบอกทางให้อีธนาอียังไม่ซีรหรอกอีรอให้อัตมาไปบอกทางก่อนรับรองถ้าอีซี่อัตมาให้ลื้อปรับยกวัดให้ทางวัดเลยเอาท่านพูดอย่างอารมณ์ดีเท่าแก่ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นเมื่อท่านบอกว่ามารดายังไม่ตายก็ต้องเชื่อท่านตั้งแต่มอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาก็ยังไม่เห็นท่านพูดผิด จากความเป็นจริงสักครั้งเท่าแก่วยัยห้าสิบเศษจึงกล่าบประหลอกประลอกและก็ลุกออกไปไม่ลืมจะกล่าวคำขอบคุณสตรีร่างขาวท้วมที่ให้รักคิวหลวงพ่อคะลูกสาวฉันจะขึ้นบ้านใหม่วันที่ยี่สิบสี่นิมนต์หลวงพ่อไปทำพิธีด้วยนะคะเจ้ามวยรายงานหล่อนมาวัดนี้บ่อยจึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดี มาไปไม่ได้หรอกโยมวันที่ยี่สิบสี่ตรงกับวันพระเป็นวันที่อาตมาไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกต้องอยู่ต้อนรับญาติโยมเขาอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนําชั้นด้วยว่าควรจะให้ใครมาเป็นคนทําพิธีแล้วช่วยดูวันด้วยว่าเป็นวันดีหรือเปล่าเป็นชาวพุทธทแท้ต้องไม่ถือเรื่ยามนะโยมถ้าเราจะทําความดีทําวันไหนมันก็ดีทั้งนั้นในทางตรงข้าม ถ้าจะทําความชั่วทําวันไหนมันก็ชั่วอยู่วันยันค่ําเอาเถอะถ้าปัดความคิดเรื่องเลิกยามออกไปไม่ได้อัตมาก็ขอแนะนําให้ถือวันพฤหัสว่าเป็นวันเลิกดีอันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนตัวของอัตมานะอัตมาถือวันพฤหัสว่าเป็นวันดีเพราะเป็นวันพ่อวันแม่ของเราวันพฤหัสเขาถือว่าเป็นวันครูไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งแย้งขึ้น เวลาที่เขาทำพิธีไหว้ครูเขายังทำกันวันพฤหัสก็พ่อแม่เราไม่ใช่ครูหรือยังไงเป็นครูคนแรกของเราเจ้านะเที่ยวเรียกว่าบุรพาจารย์ของบุตรบุรพาจารย์ก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองท่านหันไปพูดกับเจม่วยว่ายอมมุ้ยจำไว้นะถ้าจะถือวันไหนก็ให้ถือวันพฤหัสเป็นวันดีไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูว่า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 ประเดี๋ยวจะบอกวิธีปฏิบัติให้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแม่หลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าจะนิพนพระรูปไหนไปแทนเพื่อทำพิธีเจิมประตูบ้านไม่ต้องให้พระนอกบ้านเจิมหลอกโยมให้พระในบ้านเจิมเป็นดีที่สุดรู้จักไหมละ่ะพระในบ้านนะ่ะไม่รู้จักคะ่ะหลวงพ่อคงไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะคะไม่ใช่พระพุทธรูปสิพระที่มีชีวิตจิตใจ ที่เป็นคนนี่แหละไม่มีค่ะบ้านลูกสาวฉันยังไม่มีพระมีสิทําไมจะไม่มีก็โยมนั่นแหละเป็นพระของเขาโยมก็เจิมได้หรือไม่ก็ให้เตี๋ยเขาเป็นคนเจิมพ่อแม่เป็นมงคลอันสูงสุดของลูกนาโยมเห็นจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเพราะเตี๋ยเ้าตายไปนานแล้วและฉันก็เจิมไม่เป็นจะยากอะไรละ่ะ ก็เอานิ้วจิ้มแป้งแล้วก็จิ้มจิมไปที่ประตูจิ้มทรงเดชไปเธอะปากก็พูดไปว่ารวยรวยหรือว่าเป็นภาษาจีนก็ได้ว่าเซ็งลี่ฮ่อเซ็งลี่ฮ่อท่านใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่อากาศเป็นการสาธิตให้ดูปากก็ว่ารวยรวยเซงลี่ฮ่อเซ็งลี่ฮ่อทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะด้วยขำในกิกริยาอาการของท่าน ซาพิศเสร็จแล้วก็บอกเจ ม, มุวยว่าง่ายจะตายไปทำได้ไหมละ่ะเดี๋ยวอาตมาจะให้แป้งที่จะเจิมไปด้วยเสกไว้แล้วแม้ท่านจะไม่นิยมการเสกเป่าแต่กับคนระดับหนึ่งก็จำเป็นต้องใช้เพราะมันได้ผลทางจิตใจทำได้คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวจะยอมให้ทำหรือเปล่าเจ ม, มุวยยังกังวลต้องให้สิ บอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสั่งมาถ้าอยากรวยต้องให้แม่เป็นคนเจิมขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะทั้งนั้นฉันขอแป้งไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่ออีกท่านรักครูจึงเรียกในสมชายซึ่งขณะ น, นั้นอาบน้ำอาบผ้าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปหยิบแป้งมาให้รายที่สามเป็นข้าบดีมาจากกรุงเทพมากันทั้งสามีภรรยาฝ่ายสามีใส่นาฬิกาเรือนทองฝังเพชร